ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอากาบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียน <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่วัดป่าสุกโตพระเถรานุเถระที่อยู่บนศาลาแห่งนี้แล้วก็ขอเจริญพร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 ทำให้มันฉับไวขึ้นเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านได้นําเสนอเนี่ยเป็นเป็นเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยไปรู้จักกับความรู้สึกตัวซึ่งแรกๆต้องเจตนาทีนี้ทำแรกๆเนี่ยเป็นธรรมดาละพวกเราเนี่ยทุกคนอะธรรมะก็เป็นตัวผมก็เป็นคือตั้งใจอยากให้มันรู้สึกอะก็เพ่งลงไปใช่ไหมพอทําเนี่ยมันก็จะแน่นหนัก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 ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายที่นี่อนุญาตวิ่งได้วิ่งจงกรม <c oughs> มีบางคนสมัยนะ่าแตมาไปฝึกอยู่ที่วัดสนามในมีวิ่งจงกรมเหมือนกันนะมันโอ้มันไม่ไหวมันง่วงอนะ่ะขนาดเดินเร็วมันก็ยังไม่หาย ง, ง่วงวิ่งเลยนะแต่วิง่งกัเหยาะนะมันจะวิ่งเร็วนะ <c oughs> ก็ทําได้มันเป็นอุบายที่เราจะแก้อารมณ์ซึ่งอันเนี้ยคนใหม่ๆก็จะเจอตัวแตมายก็จเจอะ ต, ตอนนั้นฝึกก็เรียกว่า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 กุญแจที่จะเขยิขยเข้าไปรู้จักความจริงนี้คือความรู้สึกตัวเป็นกุญแจดอกเอกเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มีอยู่แล้วในทุกคนเพราะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถจะรู้ได้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงบัวแค่สามเหล่านะบัวเหล่าที่สี่นี่อัตถกาจ า, จาร์ิมาเขียนเอาทีหลังเพราะนั้นในสมัยนั้นพระเจาเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้ธรรมะได้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 ไม่ใช่อาจารย์เป็นเพื่อนเป็นกลยาณมิตรเป็นคนที่ร่วมเดินทางกาลังเดินทางเหมือนพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็ก็ยินดนะีก็ถือว่ า, าตัวขระผมนี่ต่มเองก็ได้เรียนรู้จากพวกเราด้วยเพราะต้องยอมรับอย่อย่างนึงว่าประสบาการณ์เราก็ยังยังต้องทำต่อไปแล้วก็